ทีนี้ต่อไปนะว่าพรรยานสิบนะครับภรร ะ, ะนี้แปลว่ากำลังหมายถึงพรรยานที่เป็นกำลังนะครับอันหนึ่งทศภรยานหรือยานที่เป็นกำลังสิบของพระผู้มีพระภาคเหล่านี้คือการรู้เหตุและไม่ใช่เหตุแห่งผลนั้ น, น, นอันไม่ผิดแผกเป็นต้นนะครับอย่างนี้ว่าอย่างข้อที่หนึ่งนะครับยานที่รู้ว่านี้เป็นฐานะของผลนี้นี้ไม่ใช่ฐานะของผลนี้นะครับเช่น วิบากของกายสุจเรศที่ให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีอ่างนั้นหะหรือว่าผ้ารยาบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะจะมีความสาคัญว่ารูปเป็นอัตตาเป็นต้นไม่มีนะครับอันนี้เป็นฐานะที่ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนปู่ทุชนเนี่ยนะครับจะสาคัญผิดอันนี้มีอย่างแน่นอนอนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าส่วน ฐานะอาฐารเนี่ยนะครับดูในเอกนิบาตนะครับฐานะอาถานะนะครับเรื่องฐานะอาถรรพนะนะหรือว่าดูในมัชชิวะนิกายก็มีนะครับสูตรหนึ่งนี่ต่อไปนะครับว่ายานในการรู้ลำดับวิบากตามเป็นจริงโดยสิ้นเชิงนะครับแห่งการยึดถือกรรมอันแตกต่างโดยชนิดเป็นกาละมีอดีตการเป็นต้นของเหล่าสัตว์นั้น คือรู้ลำดับวิบากหมายความว่ารู้ว่าวิบากที่สัตว์เคยได้รับมาเนี่ยนะครับได้รับวิบากอะไรมาบ้างในอดีตเนี่ยนะครับอดีตเคยรับวิบากอะไรมาในอนาคตจะรับวิบากอะไรต่อไปแล้วปัจจุบันกําลังรับวิบากอะไรแล้ววิบากทั้งหลายที่สัตว์เราได้รับเนี่ยนะครับมาจากกรรมชนิดไหนชนิดไหนชนิดไหนนะครับที่เป็นเหตุให้ได้รับวิบากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย พร อ, องรู้หมดเลยในการสามว่าเคยได้รับวิบากอย่างไรจะได้รับวิบากอย่างไรกําลังรับวิบากอย่างไรเพราะกรรมอะไรทําเมื่ อ, อไหร่เป็นต้นเนี่ยนะของสรรพสัตว์ในจักรวาลหาประมาณไม่ได้นะครับรู้หมดเลยนะครับนี้เขาเรียกว่ายานที่รู้ลําดับวิบากเพราะเนีเคยได้รับวิบากอะไรมาในอดีตชาตินะครับณอดีตอันยาวไกลหรือว่าวิบากที่จะมีต่อไปในอนาคตรหรือกําลังสเสวะ อ, อยู่นะ จากกรรมอะไรกรรมอะไรเนี่ยทำไมจึงให้ผลอาศัยการาคติอุปทิประโยคนาเป็นต้นเนี่ยจึงให้ผลเพราะอะไรเนี่ยอย่งรู้สิ่งเหล่านี้หมดเลยนะครับแม้แต่ของทุกทนทุกท่านของสัตว์ทุกชนิดด้วยนะครับพระองค์นี่รู้หมดเลยอันนี้เรียกว่าญาณที่รู้ลําดับของกรรมวิบากนะครับหรือว่ารู้ถึงกรรมและการจําแนกกรรมข้อสองนี่จำแนกรรวิบากใช่ไหมครับข้อสาก็คือรู้ถึงกรรมและการจําแนกกรรม กรรมที่มีอาสวะและกรรมที่ไม่มีอาสวะตามเป็นจริงว่าเออนี่นะทํากรรมแบบนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเพื่อให้ตกนรกนะนะข้อปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดเป็นเดรัจฉานนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ทําให้เกิดเป็นเปรตนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้ทําให้เกิดเป็นมนุษย์นะกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ทําให้เกิดเป็นเทวดานะ ถ้าหากว่าเธอปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทานอันนี้แบบนี้แบบนี้ทําให้ถึงพระนิพพานนะเนี่ยรู้ถึงวิธีการหรือปฏิปทาทั้งหมดนะครับที่ทําให้เข้าถึงพบทั้งปวงหรือว่ารู้แม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ชํานาญในทางทั้งหลายทางทั้งที่เป็นโลกิยะทางทั้งที่เป็นโลกุตระและทางที่พาไปสู่พบทั้งปวงนะครับ เพราะนั้นพระองค์จะจำแนกมรรคปจจโยไม่ได้นะครับมรรคปัจจัยเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดและเอาอธรรมะเหล่านี้มาแสดงแล้วพระองค์ยังมีความรู้ความแตกต่างการแห่งาธาตุนะครับน า, นาทาธาตุยานนะครับคือหมายถึงพระองค์รู้ตามเป็นจริงโดยนเมียที่ว่ า, าธาตุชื่อนี้หนาแน่นความพิเศษนี้จึงเกิด เช่ S 1> <S 1> บบนถ้าธาตุดินหนาแน่ น, นมากนะธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงสีจะออกเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับมันคล้ายควิชาชีวะเคมีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แตกฉานวงนั้นทั้งหมดนะหรือแม้กระทั่งแบบนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าโลภะมากธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าโทสะมากธาตุคือนามธรรมที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าโมหะมากธาตุที่เหลือจะเป็นยังไงถ้าธาตุเหล่านั้นอะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นยังไงเนี่ยธาตุเหล่านี้พระองค์อย่างถึงหมดนะครับ อย่างถึงธาตุทั้งที่เป็นรูปธรรมและธาตุทั้งที่เป็นนามธรรมนะครับว่านะหรือว่าความที่สภาวะแห่งขันและอายตนะเป็นอเนกทั้งที่เป็นอุปาทินกะและอนุปาทินกะเป็นต้นและมีสภาวะต่างๆกันคือหมายความว่ายัางรู้เลยนะครับว่าในธาตุเนี่ยนะครับในคนหนึ่งคนเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างแต่ละธาตุมาจากองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ ในธาตุเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้แก่ธาตุอะไรบ้างนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระองค์รู้หมดเลยทั้งที่เป็นรูปธรรมและธาตุที่เป็นนามธรรมแล้วก็ในการสามด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะแม้ในอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดนะครับภายในภายนอกเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์รู้จากธาตุเหล่านี้พระองค์จึงแสดงธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับได้อย่างถูกต้องต่อไปก็พระองค์นี้ทรงรู้ถึงอัตยาสายและอธิมุต นะครับอันเลวเป็นต้นของสาทั้งหลายโดยสิ้นเชิงคําว่าอัธยาศัยนี่ก็คืออาศยะหรืออาทิมุตนั่นนะครับอาสยะเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะถ้าว่ามีอาศยะเลวพวกที่มีอาศยะเลวหรืออาทิมุตเลวก็จะโคบผาสมาคมกับพวกเมียอาทิมุตเลวเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นยานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกําลังของพระ อ, องค์หรือว่ายานในการรู้อินทรีย์มีสัตติิทนทรีย์เป็นต้นว่าแก่กล้าหรืออ่อนอันนี้ก็ประเภทอินทรีย์โปรโปริยัตยาน หรือยานที่ยังรู้ถึงความพิเศษของฌานและวิโมกเป็นต้นพร้อมกับสังกิเลสคือหมายความว่าเออฌานเนี่ยจะพองแผ่วเพราะเหตุนี้นะจะเศร้ามองเพราะเหตุนี้นะฌานนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมนะฌานนี้เป็นไปเพื่อความเจริญนะเป็นต้นเนี่ยรู้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องฌานทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับนี่เน้นฌานในจิตชั้นสูงนะครับเน้นปฐมฌานเป็นต้น น, นะนะถ้าหากว่ารุนเนท พวกนั้นก็เป็นเรื่องของถาดไปทีนี้กล่าวว่ารู้ถึงความสืบต่อแห่งขันที่สัตว์เคยอาศัยอยู่ในการก่อนโดยสิ้นเชิงพร้อมด้วยความเกี่ยวเนื่องด้วยขันนั้นในชาติอันหาประมาณไม่ได้นะครับคือหมายถึงว่าระลึกรู้เลยว่าอดีตชาติของสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยนะอดีตเป็นยังไงบัางนะครับประวัติในส่วนอดีตทั้งหมดของสรพรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมองเห็นหมดเลยรู้หมดเลยนะครับ พิจารณารู้เลยว่ามีของเก่าหรือไม่พอที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่นะแต่ถ้าว่าพวกไม่ค่อยมีของเก่านะครับพระองค์ก็ไม่ค่อยพิจารณานะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ไม่ใช่ไม่เคยพิจารณาแต่ไม่เอามาใส่ใจนักนะครับว่าพิจารณาหมดแล้วครับไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่พิจารณาแต่ช่วงหลังๆก็จะไม่ไม่เอามาไข้ครัวนะถ้าไม่มีประโยชน์นะครับเพราะพระองค์นี้ตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกหมดแล้ว แล้วพระ อ, องค์ก็ยังรู้จุติและปฏิสนธิพร้อมกับการจำแนกสัตว์มีอย่างเลวเป็นต้นนะว่าสัตว์เลวคืออย่างเลวหมายถึงนรกเปรตอสุรกายสัตว์นิราชาญเนี่ยนะทำไมจึงจะไปเป็นอยู่แบบนั้นมาจากกรรมอะไรทําเหตุอะไรกรรมอัเนี่ยจะต้องสเสวย อ, อยู่นานแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับรู้หมดเลยแล้วถ้าทําเหตุอย่างนี้ถ้าจุติตอนนี้ปฏิสนธิที่ไหนนะครับแล้วการปฏิสนธิอันนั้นจะมีอะไรไปเป็นอุปธรรมมีกรรมอะไรไปเบียดเบียนเนี่ยอย่างรู้หมดเลยนะครับ แล้วก็ยานที่ยังรู้สัจจะสี่โดยในดังกล่าวแล้วในเหตุหลังวันนี้ทุกนะครับแม้คือสามารถประมวลถึงทุกสิ่งเหล่านั้นโดยวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยรู้มาแล้วประมวลอยู่ว่าเออพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ยังไงรู้หมดเลยนะครับรู้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นความ เพราะเป็นไปตามความจริงโดยที่ตนอย่างรู้ถึงอารมณ์ที่เป็นของจริงโดยไม่ผิดพลาดและโดยยังประโยชน์ตามที่ประสงค์ให้สาเร็จนั้นความรู้เหล่านี้นี่นะเป็นกำลังที่ทำให้พระองค์เนี่ยทำงานที่เรียกว่าทำทธุรกิจได้สาเร็จนะครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังก็ทำทธุรกิจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากคนอื่นเนี่ยนะไปเรียนแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เนื่องจากไม่มีกาลังเหล่านี้เลย ไม่มีกําลังยานสิบเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะร้องเรียนก็หอนตามเท่านั้นแหละสำนวนนะเหมือนกับหอนตามเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่ใครจะไปเรียนแบบได้สมจริงนางพระดํารัตที่ตรัสไว้มีอาทิว่าตถาคตประกอบด้วยกําลังสิบเหล่าใดประกอบด้วยกําลังเหล่าใดจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบัลลือสรีหานาถในบริษัททรงประกาศพรหมจัก กำลังเหล่านั้นชื่อว่ากําลังสิบของพระตถาคตนะครับกาลังสิบของพระตถาคตเป็นไง น, นะครับอย่างที่หนึ่งะครับพระตถาคตในโลกนี้ย่อมทรงทราบธรรมะที่เป็นฐานะโดยเป็นฐานะและธรรมะที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริง พระตถ า, าคตทรงทราบ ธ, ธรรมะที่เป็นฐานะโดยความเป็นฐานะและธรรมะที่ไม่ใช่ฐานะโดยความไม่ใช่ฐานะตามความเป็นจริงแม่ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถ า, าคตพระตถ า, าคตทรงอาศัยกำลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสรีหานาทในบริษัททรงประกาศพรหมจักแม้ข้อนี้ก็เป็นกาลังของพระ ตถาคตนะครับคือกําลังที่รู้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่ปัจจัยนะครับถ้าปัจจัยนี้เกิดขึ้นจะให้ผลอย่างไรเป็นต้นนะครับข้อ2ยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคทย่อมทรงทราบ ว, วิบากของกรรมสมาถานนะคือผลของกรรมะนะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุ พระธถาคตทรงทราบวิบากของกรรมสมมาทานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันตามความเป็นจริงโดยฐานะโดยเหตุแม่ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกําลังของพระธถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบัลลือาาศีหนาทในบริษัททรงประกาศพรมาจักแม้นี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตคือสามารถรู้วิบากของกรรมนะที่เป็นวิบากเนี่ยนะ ทั้งที่เป็นจักขูวิญญาณโสตะคานาะชิวหากายะวิญญาณหรือมนโนวิญญาณภวังค์วิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณที่เป็นสัมปติชนันติรณะเนี่ยนะครับวิญญาณเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตนะครับของสัตว์ที่เคยได้รับหรือที่จะเป็นอนาคตหรือที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับในสัตว์หาประมาณไม่ได้นนะั้ไอความรู้อันนี้นี่ยนะครับเป็นกําลังอย่างหนึ่งของพระ อ, องค์นะครับคือถ้าหากว่ากล่าวถึงว่า <c oughs> เฉพาะ ข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นผ้าอรหันธรรมดาเฉยๆนี่นะครับไม่ต้องบำเพ็ญมากมายอะไรละครับปรมีเนี่ยนะไม่ต้องบำเพ็ญมากมายถึงขนาดเรียกว่าสี่อสงไขยแสนกับรอกอั่งนั้นแต่แค่ว่าให้ทานสมาทานศีลเป็นต้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยนะถ้าหากว่าประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบไม่นานนักก็พ้นจากทุกได้ทั้งนี้อโสดลงสดับเป็นต้นเนี่ยนะครับปฏิบัติตามอย่างคําสอนที่ตรัสไว้แล้วเนี่ยนะไม่นานนัก แต่ถ้าหากว่าปราทานค์กำลังเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกําลังเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าจะพาแหวกวงล้อมแห่งสังสารวัฏได้เนี่ยนะอาศัยกําลังเหล่านี้นี่นะครับนนะเพราะว่าสาัตว์ทั้งหลายที่บรรลุธรรมเนี่ยนะครับตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะแม้แต่ในยุคนี้หรือว่ายุคหลังต่อไปก็ชื่อว่าอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือกําลังที่พระองค์ทรงแหวกเอาไว้แล้วนะครับ ถ้าหาว่าพราะองค์ไม่มีเรี่ยวแรงกําลังที่จะแหวกสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับก็ยากที่จะเป็นไปได้นะครับต่อไปอีกว่ายังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริงอนันนี้ทางนี้นรกนะทางนี้เปรตนะทางนี้อสุรกายนะทางนี้เดรัจฉานนะทางนี้มนุษย์นะทางนี้เทวดานะทางนี้พรหมนะ ถ้าจะจําแนกให้ละเอียดว่าทางนี้นรกนะทางนี้อเวจีนรกนะนิสันชีวะนรกนะอันนี้ก็ยังแยกกันว่านรกสายนี้สายนี้ขุมนี้ขุมนี้กรรมแบบนี้พาไปสู่นี้เช่นปทุมนรกเป็นต้นนะครับแยกกับหมดเลยว่านี้เป็นอุสธนรกนะนี้เป็นมหานรกนะนี้เป็นบริวานนะอันนี้อยู่ในขุมใหญ่เลยนะอันนี้อยู่ในขุมปลีกย่อยเนี่ยมองออกทะลุปูโป่กหมดนะครับแล้วก็ในนรกไม่ใช่นรกมีจักรวาลเดียวนะครับในจักรวาลหาประมาณไม่ได้นะครับ แล้วยังรู้เออเนี่นะทำตัวแบบนี้เดรชาณนะเดรชาณนี่ไก่นะนี้เป็นกุ้งนะนี้เป็นหอยนะนี้เป็นปลานะนี่เป็นปลาน้ําจืดปลาน้ำเค็มนี่ตระกูลปลาสวายปลาวานปลาฉลามปลาอะไรก็ว่าไปตามนั้นรู้หมดอีกนะครับนะมาเป็นมันเปรตนะนี่เป็นเปรตเนี่ยเปรตจําพวกที่หนึ่งที่สองนะเพราะเปรตมี12จําพวกนะครับแม้กระทั่งนี้เป็นพวกเวมานี่กเปรตนะนี่เป็นเปรตประเภทอดอยากหิวโหยนะก็แยกออกหมดว่าจากกรรมอะไร แล้วก็ยังแยกออกนี่ามาเป็นมนุษย์นะนี่เป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นมนุษย์นะอยู่ทวีปไหนก็แยกออกนะกรรมแบบนี้พาให้เกิดในทวีปไหนชมพูทวีปอุตระกรุทวีป อ, อ, อ, อมออมโคยานททวีปนะครับหรือปุพภาพวิเทหทวีปหรือถ้ามาเกิดชมพูทวีปเนี่ยนะจะมาเกิดอยู่ในอเมริกาหรือว่านะเอเชียยุโรปนะครับหรืออเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่นนะครับ มองออกหมดถ้ามาเกิดเป็นไทยนะควรจะจังหวัดไหนเนี่ยก็มองออกว่าควรภาคไหนก่อนใช่ไหมภาคตะวันออกอ่าตะวันตกภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยนะในภาคนั้นะจะเกิดจังหวัดไหนอีกนะครับจะเป็นลูกใครอะไรใครจะต้องวิบากขนาดไหนอายุจะยาวขนาดไหนเป็นต้นเนี่ยรู้อย่างตลอดสายเลยนะครับถ้าเป็นเทวดานะแกจะเป็นระดับภูมิเทวดานะอันนี้เทวดาที่อยู่ต้นอ่าภูมิเทวดาที่อยู่ตามนี้อยู่ต้นไม้นะนี่อยู่ภูเขานะ ต้นไม้แกต้องต้นไม้นั้นต้นไม้นี้เป็นต้นก็มองออกหมดนะครับนี่เป็นประเภทอากาศสเทวดานะนี้เป็นประเภทจาตุมนะนี่ ป, นประเภทดาวดึงนะดาวดึงเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นอยู่วิมานแบบนั้นแบบนั้นรู้หมดครับดาวดึงดุสิตนิมมานารดีปนิมิตวัตสวดีก็ยังถึงหมดเออนี่นะอยู่ปริศชาพรหมนะนี้เป็นปุโรหิตพรหมนะนี่มหาพรหมนี่ชั้นปริตาภานะครับ อัปมานาภาอภัสรานะครับเป็นต้นเนี่ยจะมองออกอย่างตลุปลุบปองหมดเลยนะครับวิบากเหล่านั้นมาจากเหตุใดๆเป็นต้นนะครับะเวลาเรานึกถึงใครเออสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วอย่างเจริญอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายนะแต่ก็ไม่ง่าย <c oughs> นี่ยนะพราะงั้นพระองค์นี่ยังถึงหมดเลยว่าเออมาจากเหตุอะไรนะครับข้อปฏิบัติอะไรทําให้ถึงแบบนั้นนะครับถ้าทุกคนเนี่ย เปล่งคําพูดแบบนี้มาเนี่ยจะนําเกิดที่ไหนเกิดยังไงเกิดรู้หมดนะครับคือไอความรู้อันนี้สามารถแยกหรืยกตัวอย่างนะถ้าเขาฆ่าหมูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับในการงานนั้นๆเนี่ยนะครับบาปไม่เท่ากันนะไอฆ่าหมูตัวเดียวกันเนี่ยนะครับเจ้านี้ตกนรกนะเจ้านี้เป็นเปรตเจา้านี้อสุรกาเจ้านี้ไม่ให้ผลนาเกิดแต่มาเป็นมนุษย์จะอายุสั้นเป็นต้นเนี่ยแยกออกหมดเลแม้แต่ให้ทานครั้งเดียวกันเออคนนี้นะทานอันนี้เนี่ย เกิดเป็นกษัตริย์มหาสา ร, ร like, คนนี้พราหมณมหาศารคนนี้เป็นเศรษฐีนะหรือว่าออการให้ทานคนนี้ครั้งนี้จะเป็นภูมิมเทวดาพวกนี้จะเป็นจาตุมดาวดึงยามาเนี่ยอันเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่ได้บุญหรือบาปเท่ากันนะครับเช่นทอดกระถินพร้อมกันก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญเท่ากันกินเหล้าด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะบาปเสมอกันหมดนะครับฟังธรรมเท่า Verantwort กันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเท่ากันนะครับ อันนี้คือความแตกต่างต่างที่พระ อ, องค์เนี่ยทรงรู้หมดเลยนะครับอย่างเช่นฟังธรรมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบางคนได้โซดาปนบางคนเนี่ยถึงไตรสนธคมบางคนเนี่ยเลยถึงสามารถรักษาศีลได้บางคนเนี่ยเลยไปกว่านั้นอีกสามารถนะครับออกบวชได้คนที่บวชแล้วจะ รักษาศีลไดบริบูรณ์หรือว่าเจริญสมถาวิปัสสนาได้บริบูรณ์หรือว่าโสดาปติมัคสกะทามิมกักอนาคามิมกักหรืออรหัตตมักเป็นต้นเนี่ยแยกออกหมดเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ใครได้ถึงไหนถึงไห น, ถ, ไหนถึงไหนบ้างครับเหมือนอย่างกับที่เขาบอกว่าพระเทวทัพเนี่ยแม้พระเทวทัพเองเนี่ยพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าจะทําเหตุอย่างนี้แต่พระองค์อาศัายความอนุเคราะห์ ครับอาศัยความมนุเคราะห์นะครับว่าตอนท้ายของชีวิตของพระเทวทัตเนี่ยนะจะเอากระดูกคางเป็นต้นเนี่ยนะบูเป็นพุทธบูชานะครับเนี่ยนะใกล้จะตายก็ยังดีนะครับสํานึกได้ในตอนนั้นก็พอแก้ไขได้นะแต่ว่าอีกแสนกับพระเทวทัตจะบรรลุเป็นพระประเจกพุทธเจ้านะครับก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าพราะองค์ไม่ให้บวชเป็นต้นพระเทวทัตจะเสียประโยชน์ขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอ้ชั่วนี่แกทําทอยู่แล้วละ่ะไอแต่ว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลไหมล่ะ แต่ว่าถ้ามาทำชั่วนะแล้วยังมีทำดีบ้างไออุปนิสัยส่วนที่ทำดีก็จะเป็นปัจจัยแห่งแห่งการบรรลุมรรคผลต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าบาปที่ทำก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ผลนะบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญนะครับได้ได้ยินว่าพเจวาทัต์นี่เป็นผู้ทรงพระัยบิดดกด้วยครับทรงพระทัยบิดดกครับ นี้ก็ถือว่าสร้างอุปนิสัยไปแล้วก็ถือว่าสร้างด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับกว่าจะอุปนิสัยเหล่านี้กว่าจะได้ใช้ครั้งหนึ่งคงนานเพราะว่ามาไปตกนรกนี่นะครับออกมาจากนรกแล้วที่จะมาเป็นมนุษย์เลยก็หายากเพราะฉะนั้นอุปนิสัยอันนี้ก็เหมือนกับหลับแล้วหายไปคือพอพูดถึงตรงนี้นะครับผมเคยสนทนากับเพื่อนองค์หนึ่งเขาถามว่าเออนี่นะพวกเราชวนกันมาเรียนเนี่ยนะตอนนั้นเรียนบาลีอยู่ครับ ไอ้เพราะคิดอย่างนี้เลยไม่ได้จบอะไรเขาสักอย่าง น, นะตอนนั้นนะนะบอกเออนี่นะพวกเรามาชวนกันร่ำเรียนกันอย่างนี้นะโอ้โหอะไรก็จบหมดเลยไตรปิฎกแตกฉานวิเคราะห์สับเป๊ะเ ป, ป๊ะหมดเออนี่ถ้าตายแล้วตกนรกเนี่ยนะไอ้อุปนิสยัยอันนี้จะได้ใช้ไม่ชาติหน้าเห็นไหมครับโอ้โหแตกฉานยกใหญ่หมดเลยนะรู้หมดเลยอะแต่ว่ า, าสมมตินะตกนรกไอ้ที่ตกนรกเพราะว่าระหว่างเรียนบางครั้งมันไม่ได้รักษาศีลนระักษาวินัยอะไรหรอกครับ นะครับพอารู้อยู่แล้วว่ามันรักษาศีลไม่ได้ศีลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องกันอบายอ่ะเป็นเครื่องปกปิดอบายทีนี้ศีลรักษาไม่ได้ไม่อบายแง่ายๆเลยรู้ตัวเลยนะครับตอนนั้นนะะเออถ้านี้ถ้าตกนรกแล้วนะถามาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นอวิชาที่เราเรียนไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยนะครับก็นี่นะก็ตอนนั้นนะก็เลยมาคิดแบบโ ง, ง่ๆต้คิดโง่ด้วยฉลาดไม่รู้นะก็เลยมาคิดอย่างนี้ว่าเออนี่นะเราก็ไม่ต้องไปฉลาดอะไรมากก็ได้มั้ง เราก็ยังไงยังไงก็รักษาศีลให้ได้ยังไงไปสุขคตินะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาคงจะเรียนง่ายกว่านี้มั้งหันไปหารักษาศีลดีกว่าเลยฟังกันกันนั้นก็เลยเลิกอยู่บางวัดเลยนะครับเพราะว่ายังรักษาศีลไม่ได้นะก็เลยต้องจากไป น, นัเราให้ฟังตอนหนึ่งนะครับว่าคิดแบบนี้นะครับว่าเออที่พูดถึงอุปนิสัยว่าถ้าเรียนจบแตกฉานแล้วตกนรกก็เหมือนพระกัปปิละนะครับตกนรกนะครับ ไปสมัยที่ทรงพระตยปิดกแล้วกล่าวท่าพระตยปิดกด้วยความเคารพก็ทําให้มีสีทองไปที่บาปก็ทําให้ปากเหม็นไปนะครับเกิดตกนรกนะครับจากนรกสู่นรกเนี่ยนะจากนรกมาเดราชานจากเดราชาญกลับไปนรกใหม่เมื่อไรไม่รู้ไอบา ป, ปรกรรมที่ทําไว้จะสิ้นสุดนะครับแต่ก็ยังถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยสะสมอุปนิสัยด้านนี้ไว้บ้างเลยก็ดีกว่านะครับดีกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิดีกว่า มคคิิโคสารดีกว่าชิตะเกสะกัมพลนะครับพระโกกาลิกะเนีพระกัปิระนะเมื่อเทียบแล้วก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่ามาเทียบกับประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีปฏิบัติชอบดีกว่านะครับไม่ควรที่จะไปเอาเลือกแบบนั้นนะครับที่พระสารีบุตรถามชานุโสณีพราหมว่าเออนรกกเดระฉานไหนดีกว่าเนระฉานดีกว่าถ้าเดระฉานกับเปรตไหนดีกว่าเปรตดีกว่าเพราะเปรตอย่างน้อยก็รับส่วนบุญได้นะครับ ถ้าเปรดกับมนุษย์ไหนดีกว่ามนุษย์ดีกว่าถ้ามนุษย์กับเจากับเทวดาชั้นจาตุมไหนดีกว่าจาตุมดีกว่าถ้าจาตูมกับดาวดึงไหนดีกว่าดาวดึงดีกว่าถ้าดาวดึงกับดุสิตไหนดีกว่าดุสิตดีกว่าถ้าดุสิตกับนิมมานารดีไหนดีกว่านิมมานรดีดีกว่าเอาท่านิมมานรดีกับปรนิมิตาวตตสวัสดีอไหนดีกว่าบอกปรินิมดีกว่าเอแล้วปรนิมิตาวตตสวัสดีกับพรหมไหนดีกว่าพรหมดีกว่านะก็เทียบไปตามลําดับนะ แต่ถ้าพร้มกับเป็นพระนาคามีไหนดีกว่าเป็นพระนาคามีดีกว่าแต่เป็นพระนาคามีแล้วเป็นพระสารปรินิพานเลยไหนดีกว่าก็เป็นพระสารปรินิพานเลยดีกว่าแต่ก็ไอ้ดีกับชั่วนี่ก็ต้องเอาอะไรมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับถ้าคลานได้กับเป็นง่อยไหนดีกว่าคลานก็ต้องดีกว่านะครับนะเ <c oughs> นี่ยต่อไปนะครับว่ายังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบโลก อันเป็นอเนกธาตุนานาธาตุตามความเป็นจริงนะครับคืออเนกธาตุหมายความว่าเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุนี่นะครับตรัฐาคตทรงทราบโลกอันเป็นอเนกธาตุเป็นนานาธาตุตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแล้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบารเลยสีหนาฏในบริษัททรงประกาศพรหมจักแม้ข้อนี้ก็เป็นกําลังของพระ ตาาคตนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระตถาคตย่อมทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงนะอัธยาศาาายา right. ัยของสัตว์นะงั้นเถอะนานาจิตตังเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการคบหาสมาคมเป็นต้นเนี่ยนะตถาคตทรงทราบความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงแม้ใด แม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกำลังใดแลว้วจึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบลลือสีหนาฏในบริษัททรงประกาศพรหมจักแม้ข้อนี้ก็เป็นกำลังของพระตถาค ต, ตก็คำสอนนั่นเองนะครับพรหมจักธรรมจักอันเดียวกันนั่นเองนะครับหมายถึงพระธรรมคาสอนนั่นเองอันประเสริฐนะ จากอันประเสริฐนะครพรหมในหมายถึงประเสริฐก็หมายถึงพระธรรมนั่นเองนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระธรามคตย่อมทรงทราบความแก่กล้าและไม่แก่กล้าแห่งอินทรีย์ทั้งหลายของสัตว์อื่นของบุคคลเหล่าอื่นตามความเป็นจริงนะครับหรืออินเดียโปรปยัยตยานั่นเองนะครับยังมีข้ออื่นอีกพระธรามคตย่อมทรงทราบความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติตามความเป็นจริง ยังมีข้ออื่นอีกพระธรรคตย่อมทรงทราบความระลึกชาติในหนหลังได้ตามความเป็นจริงยังมีข้ออื่นอีกพระธรรคตย่อมทรงทราบความจุติและความอุบัติคือความเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงอันที่จริงนะสัตว์เวลานี้ขณะนี้จุติปฏิสนธิมากไหมครับ ขณะนี้ก็จุติก็เยอะแยะนะปฏิสนธิก็มากมากในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมกันในโลกธานโลกธาตุาหาประมาณไม่ได้บอกงั้นเถอะมันวุ่นวายกันไปหมดเขาบอกว่าผู้ที่หรือพระองค์เนี่ยนะครับผู้ที่มีความสามารถมองเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์เนี่ยนะครับอันในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้เหมือนกับบุรุษคนหนึ่งอยู่ในยืนอยู่ในทางสีแพ่ง เห็นคนมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเห็นจากคนที่ตะวันตกไปทิศตะวันออกเห็นจากคนที่เหนือไปทิศใต้เห็นอจากคนจากทิศใต้ไปทิศเหนือหรือว่ามันตีโค้งสลับกันยังไงก็เหมือนกับนะถ้าสมัยนี้ให้เห็นชัดก็คือตำรวจจราจรนั่นเองนะครับมองเห็นว่ารถมาจากไหนไปยังไงหมดนะครับลักษณะนั้นแหละครับเนี่ยพระองค์ยังรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์แบบนี้จริงๆในโลกกระถางหาประมาณไม่ได้นะครับ ถ้ามีประโยชน์พระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ว่าเออนี่นะแกจะตายแล้วไปเกิดเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นจะให้ผลอย่งงางนั้นให้ผลเมื่อ น, นั้นอย่งงางนั้นนะถ้ามีประโยชน์พระองค์ก็จะเล่าให้ฟังถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทรงแสดงเพราะถ้าหากว่าแสดงแล้วผู้ไม่มีศรัทธากล่าวคัดค้านเป็นต้นนั้นก็จะเป็นไปเพื่อทุกโทษแกคนนั้นๆนะครับก็ที่ดูเหมือนกับเรื่องเมื่อเช้าในมหาสีหณสูตร สุนัขตาลิชวีดูหมิ่นพระพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงมากภาษาริบุตรไม่โต้อตอบเลยสักคำเพราะถ้าหากว่าภาษาริบุตรไปโต้อตอบชี้แจงนะสุนัขตาลิชวีจะโกรธภาษาริบุตรอีกจะโกรธพาะทหารสององค์แค่พระพุทธเจ้าก็หนักหนาสาหัสแล้วถ้าไปโกรธภาษาริบุตรอีกจะบาปมากกว่านั้นนักเหมือนนั้นเพรนั้นเรื่องบางเรื่องนั้นก็ต้องพยายามไข้โควนให้ดีนะครับนี้ต่อไปว่ายังมีข้ออื่นอีก พระธถาคตย่อมทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงนะความหมดกิเลสนี่นะหมายถึงอ่ามรรจิตผลจิตที่เกิดขึ้นทําให้อาสวะกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยนะครับพระธถาคตทรงทราบความสิ้นอาสวะตามความเป็นจริงแม้ใดแม้ข้อนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตพระตถาคตทรงอาศัยกําลังใดแล้วจึงทรงปฏิ ญ, ญาณฐานะอันประเสรศิฐทรงบารือศรีหานาทในบริษัทประกาศพรหมจัก แม้ข้อนี้ก็เป็นกําลังของพระตถาคตนะครับคืออาศัยกําลังเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิประการนี่แหละครับพระองค์จึงประกาศศาสนาเนี่ยนะครับประกาศพุทธศาสนาหรือประกาศศาสนาเพื่อให้สัตว์แทงตลอดอริยสัตว์ทั้งหลายนะครับถ้าไม่มีกําลังเหล่านี้นะก็ทํางานนี้ไม่ได้นะครับเผยแพร่พระศาสนาไม่ได้นะครับศาสนาจะไม่ประดิษฐานอยู่ในโลกได้เลยนะครับและจะไม่มีผู้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามได้นะครับ พระตถ า, าคตประกอบด้วยกําลังเหล่าใด จ, จึงทรงปฏิญาณฐานะอันประเสริฐทรงบรรลือสีหานาทในบริษัทประกาศพรมาจากกําลังเหล่านี้ชื่อว่ากําลังสิบของพระตถ า, าคตด้วยประการชนิดหรือว่าทศพลยาณนั่นเองนะครับแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพระนามว่าพระตถ า, าคตเพราะมาถึงพระยานอันทองแท้ก็พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระตถ า, าคต เพราะมาถึงคือบรรลุยานอันทองแท้ด้วยอำนาจปัญญาพิเศษคือไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นนะครับมีประเภทหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้มียานอันเป็นเครื่องทำความแจ่มแจ้งในสติประธานสี่สัมมประธานสี่เป็นต้นนะครับหรือว่าเหมือนนัยยะอย่างที่กล่าวไปแล้วโดยสรุปเหล่านี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพรนามว่าพระตถาคตเพราะมาถึงพยานอันทองแท้นะครับ จริงก็มียานอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวอีกเยอะแยะนะครับนี่ก็เอาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาแสดงนะครับเอาเพียงส่วนหนึ่งจริงๆนะครับเพราะถ้าจะแสดงให้ละเอียดพิสดารก็พระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกนั่นแหละครับจึงรู้ว่าเอ อ, อในพระไตรปิฎกก็เพียงบางส่วนเพราะว่าพยานจริงๆของพระองค์ไม่ได้มีเท่านี้นี่นะครับนะเขบอกว่าคนคนหนึ่งคนมีฤทธิ์มากนะครับสามารถเนรมิตให้หัวออกมาร้อยหัว แต่ละหัวมีร้อยปากแต่ละปากมีร้อยลิ้นนะครับทุกปากเนี่ยไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยนะพันนาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวตลอดกับนะครับกับนี้หมดไปก่อนคุณของพระพุทธเจ้าไม่หมดเลยนะคุณมหาศาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครเล่าจากจถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ก็คือตถาคตในยะที่3เพราะมาถึงญาณนะ อันทองแท้เพราะฉะนั้นสามารถสรุปยานะที่ได้กล่าวไปแล้วคืออะไรบ้างครับนะโดยในยะที่3ามเนี่ยนะพันเปิดที่หน้า5้านะครับจะเห็นเลยว่าพยานที่เราเรียนไปแล้วนั่นนะครับได้แก่อริยมรรคยาน4นะครับยานอันปัจจอะไรอะไรไม่กระทบกระทั่งในการ3ปฏิสามพิทา4เวสารชยาน4ยานที่กำหนดคติ5าอาสาธรณายาณหนั้นคือ 1. อินเดียะปโปรปรยตยาน 2. อ, อาสยานุสยายาน 3. มยมะกะปาติหารรยยาน 4. มหากรุณาสมาบัติยาน 5. สัพพัญยุตยาน 6. อนาวรนายานครับแล้วก็ยานที่แจ่มแจ้งในโพชง7ยานอันแจ่มแจ้งในอริยมัคมีองค์8ยานในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9โทศพลยาน1ินะครับ ยานทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพราะถ้าตถาคตมาถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงหมดเลยนะครับนี่ก็คือตถาคตในยะที่3กล่าวถึงยานนะโดยประการต่างๆ